ปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้ oh. กิจวัตหลักก็ไหว้พระสวดมนต์เริ่มต้นจากอารหังสวากขาโตสุปฏิปันโนนะโมสามจบจะทําวัดเช้าทําวัดเย็นก็ได้หรือจะสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนต่อเนื่องกันจนจบเมื่อจบแล้วก็จเจริญเมตตาพรหมวิหารต้องจเจริญเมตตาให้ตัวเองก่อน อย่าเพิ่งไปให้สัตว์อื่นคนอื่นต้องให้ตัวเองก่อนการให้ตัวเองก่อนจะทำให้เราได้ความรู้สึกว่าคนอื่นเขาก็ต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เช่นเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเบียดเบียนเขามันจะได้ความรู้สึกอย่างนี้หลังจากเจริญเมตตาแล้วก็อธิษฐานจิตข้าพเจ้าจะปฏิบัติดีบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อให้จิตของข้าพเจ้ามีสมาธิมีสติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงตรงประโยคที่เพื่อให้จิตของข้าพเจ้าอย่าไปใช้คำว่าขอศา ส, สนาพุทธไม่มีขอและกำหนดจิตพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตพระธรรมอยู่ที่จิตพระสงฆ์อยู่ที่จิต พระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไ ร, ร, ะ ค, ออะไรคือสติรู้จิตเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกำหนดสติรู้จิตของข้าพเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็เริ่มกำหนดไปถ้าจิตอยู่นิ่งๆปล่อยให้นิ่งถ้าคิดขึ้นมาปล่อยให้คิดคิดเรื่องอะไรก็ได้การปฏิบัติอยู่ในบ้านได้ประโยชน์หลายอย่าง กิจวัตรภายในครอบครัวก็ไม่ขาดการดูแลรักษาทรัพสมบัติลูกเต้าของเราก็ไม่ว้าเหวการปฏิบัติหน้าที่สามีภรรยาไม่ผิดศีลผิดที่ไป น, นอกอกนอกใจกันนางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอายุ16ปีท่านก็แต่งงานมีครอบครัวได้เป็นพระโสดาบันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นไปตามวิสัยของชาวบ้านเรายึดเอาศีลหข้อเป็นหลัก การประพฤติปฏิบัติไม่ผิดศีลหข้อใช้ได้และหัวใจของการบรรลุอริยมรรคอริยผลอยู่ที่ศีลห้าข้อถ้าศีลห้าไม่บริสุทธิ์สะอาดภาวนาไปถึงไหนเชิญจะสามารถสำเร็จฤตบินบนล่องหนหายตัวได้ก็ไม่มีความหมายไม่พ้นจากนรกแต่ถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างเดียวภาวนาไม่เป็นไม่ลงอบาย การปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่จึงสําคัญอยู่ที่ศีลเป็นหัวใจศีลประกันความปลอดภัยทั้งปวงถ้าเราปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ดีตรวจดูกายวาจาของเราไม่มีการละเมิดล่วงเกินศีลข้อใดข้อหนึ่งเราก็ปฏิญาณตนได้ว่าศีลเราบริสุทธิ์บางทีเราอาจจะตบยุงศีลเราขาดพอเรามานึกได้เรามาตั้งเจตนานงดเว้นคือสมาทานศีล ศีลก็บริสุทธิ์ดังเดิมศีลห้าของเขาฤหัสจะบริสุทธิ์สะอาดนับจำเดิมแต่ตั้งเจตนางดเว้นตั้งแต่เช้ามาถึงนี่ถ้าสงสัยว่ามันขาดตกบกพร่องก็อธิษฐานจิตสมทานเอง